เมื่อมันนึกถึงประโยชน์แล้วก็หายเหนื่อยไปสักนึงถ้าหากว่าเพื่อนไม่เลื่อมใสไม่นับถือเพื่อนก็ไม่นิมนต์เพราะว่าพระอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่หัวเมืองอื่นเยอะแยะก็ไม่นิมนต์นะเรื่องอย่างนี้มันก็จะว่ายังไงฮะเรื่องของศาสนานะ มันเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้เลยมันต้องเกิดขึ้นจากดวงใจที่มีบุญวาสนาได้ทำมาแต่ก่อนหรือว่าแต่ชาติก่อนโน้นก็คงได้เกิดมาครบพระพุทธศาสนามาแล้วได้มีศรัทธาเลื่อมใสนับถือมา แต่ว่าอินทร์บา ร, รมียังไม่แก่กล้าก็ยังหลุดพ้นจากกิเลสตัณหายังไม่ได้ก่อนก็จำเป็นต้องมาเกิดอีก <c oughs> เกิดมาแล้วบุญเก่ า, าก็มาโดนบันดาลให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสในบรวรพุทธศาสนานี้ยินดี ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากเน็ตเหนื่อยแต่อย่างใดนี่ถ้าไม่ใช่วัตถนาหนนหลังมาหนุนส่งเราจะรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะอย่างนี้ไม่ได้เลยคนที่ไม่มีบุญวัตถนาแต่หนนหลังมาหนุนส่ง มันก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปแล้วเรื่องการทำบุญกุศลบางคนก็ทำไปพอจะขอไปทีทาไ่ทําเพื่อนก็ว่าเอาอย่างนี้ก็มีแต่ที่คณะพุทธวิสัช์ที่ได้ร่วมกันเดินทางไกลมาบำเพ็ญบุญกุศล ในครั้งนี้เข้าใจว่าต่างคนต่างก็พิจารณาเห็นเหตุผลของการทำบุญแบบนี้เห็นแจ้งโดยใจของตนเองไม่ใช่ใครบังคับให้มาเมื่อเห็นแจ้งเมื่อเมื่อเห็นแจ้งโดยใจ อย่างนั้นแล้วมันก็เต็มใจมาแม้จะยากลำบากในก็สู้ทนอดกันแต่เข้าใจมันก็ต้องเหนื่อยแต่กายเท่านั้นแหแต่ใจไม่เหนื่อยเพราะใจนั้นปารบเอาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์เราทำบุญกุศลในพุทธศาสตร์สนานี้ก็โดยอาศัยที่เราเลื่อมใสใน คุณพระรัตนไกรแกวสามประการนี้ก็จึงได้ยินดีกับ ร, รมบุญกุศลยินดีสละจะตุปัจจัยทยทานออกมาบำรุงพระพุทธศาสนานี้เพื่อให้จเจริญ ร, รุ่งเรืองสืบต่อไป การบำรุงพระพุทธศาสนามันก็มีอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งนั้นท่านเรียกว่ า, าศาสนาวัตถุได้แก่การที่เราสละจะตุปัจจัยออกมาคนละมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็มารวรวมการสร้างเสนาสนะ เป็นที่อยู่ของสงฆ์พอดีด้วยสร้างศาลาการประเรียนอันเป็นที่ประชุมฟังเทศฟังธรรมบาเพ็ญบุญกุศลถวายทานต่างๆนานาเหมือนอย่างเช่นศาลาหลังนี้แหละและตลอดถึงวัตถุเสนาสศนวัตถุอื่นๆเห็นอุโบสถเหล่านี้ะ อย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าศาสนาวัตถุเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาหมายความว่ า, างั้นประการที่สองได้แก่ศาสนาธรรมพูกเราก็ได้พร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสอนให้ทานเราก็พยายามหาโอกาสทำบุญให้ทานไปตามกำลังเท่าที่จะทำได้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้รักษาศีลห้าศีลอุโบสถเอาเราก็พยายามรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ถ้ามันยังไม่บริสุทธิ์ตราบใดก็ไม่ลดละความพยายามพยายามไปอยู่งั้นนี่นะขอให้พากันเข้าใจหนะ่า อย่าไปละเลยต่อสินห้าสินห้านี่แหละเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสมบัติของมนุษย์เป็นทรัพย์ภายในอนันตรเสริฐขอให้เข้าใจเมื่อเรามีสินห้าแล้วก็อุปมาเหมือนอย่างเราจะทํานาหรือทําสวนนี่เราปรับปรุงดินให้เป็น ดินร่วนรุน่นไม่มีหญ้าไม่มีตอไม้อะไรเช่นนี้แล้วมันก็เหมาะที่จะหว่านพืชต่างๆลงไปได้ก็ปลูกพืชอะไรลงไปในที่ที่กรับปรุงดีแล้วอย่างนั้นมันก็ขึ้นงอกงามได้ตามประสงค์เพราะมันไม่มีหญ้ามีอื่นมาปกคลุมมาแย่งกินอาหารอันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ย เมื่อเรามีศีลบริสุทธิ์คือหมายความว่ามีกายวาจาใจบริสุทธิ์จากบาปโทษอนทินต่างๆแล้วเราจะทําบุญกุศลอะไรทําความดีอะไรก็เจริญงอกงามทั้งนั้นเลยเพราะว่าพื้นมันดีอยู่แล้วพื้นเพรของจิตใจนะมันเป็นบุญเป็นกุศลมันมีเมตตาทำกรุณารมอยู่ในใจ ก็จึงไม่เบียดเบียบนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเนี่ยดังนั้นเมื่อเรามีพื้นเพ ข, ของจิตใจนั่นเป็นบุญเป็นกุศลและวันนี้ก็ททำความดีอะไรมันก็ดึงดูดเอากันเข้ามาทำบุญทำทานอะไรกราบไหว้ก็ดีหรือทำกิจกรรม อย่างอื่นๆเช่นอย่างว่าเราช่วยประเทศชาติบ้านเมืองสร้างสาธารณสสถานต่างๆไว้หรือว่าบริจาคเงินสมทบมูลนิธิต่างๆเช่นมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิรอเก้าหรือว่ามูลนิธิ อะไรหลายอย่างอางทีเป็นของรัฐบาลตั้งขึ้นไว้ก็มีเป็นของในพระราชวังตั้งขึ้นก็มีอโม น, นี้เมื่อเราได้บริจาคไปเงินเหล่านี้มันก็จะได้ไปช่วยสงเคราะห์ทหารผ่านฝึกบ้างสงเคราะห์คนปัญญาอ่อนบ้างแล้วสงเคราะห์ คนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้เช่นบ้านของคนชราที่รัฐบาลก็ต้องเลี้ยงดูปูเสืออยู่คนชราที่ไม่มีลูกไม่มีหลานเลี้ยงดูก็ต้องไปพักพื้นอยู่ที่บ้านคนชราแถวบางแค หมูนี้ก็ได้งบประมาณหมู่นี้แหละไปช่วยเหลือกันโดยชื่อว่าเราได้เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายโดยกันแล้วคนเหล่านั้นเป็นคนมีกรรมไม่เวงกรรมเวีตามมาสนองเอาพึ่งตัวเองก็ไม่ได้ <c oughs> ก็อาศัยคนผู้มีบุญแหละช่วยเหลือเกื้อกูล อันนี้มันมีมาแต่ไหนแต่ไรเลยณแต่ครั้งพุทธเจ้าก็มีพวกเศรษฐีขาหฮบุรีต่างๆนี้สละเข้าของเงินทองให้แก่ยาจกคนข้อคนพิกพรพีการต่างๆแต่ว่าสมัยนั้นรุเพื่อนจะไม่ตั้งเป็นมูลนิธิเหมือนสมัยนี้พวกเศรษฐีมีเงินหลายร้อยล้านหลายพันล้านเพื่อนไม่ตันี ต่างคนต่างก็สละออกไปของใครของเราไปอย่างนั้นแต่สมัยนี้มันก็มีหรอกทั้งที่สละเป็นของส่วนตัวโดยตรงก็มีพวกเศรษฐีต่างๆแล้วทั้งที่เอามอบให้แก่ทางรัฐให้รัฐไปจัดการก็มีเช่นช่วยทหารผ่านศึกที่กงพิการเหล่านี้ก็ เมื่อก็เรียกว่าช่วยชาตินั่นเองพวทหารเขาเอาชีวิตไปช่วยป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองให้เรามีเอกราชอธิปไตยอยู่กันมาได้ก็เพราะพวกทหารนั่นแหละยอมพิชีพเพื่อรักษาพ่อแม่พี่น้องผู้อยู่เบื้องหลังนั้นให้ได้อยู่อย่างมีอิสระเสรีไม่ค่าศึกมารบกวน ตลอดถึงวัดวาอารามเหล่านี้ถ้าหากว่าปล่อยให้ข้าศึกเข้ามายึดได้แล้วเขาจะย่ำยีวัดวาศาสานาให้เสื่อมสูญไปจากประเทศไทยนี่ก็ได้ในนี้เหตุที่เราจะมีปกติสุขอยู่ได้พอสมมาสมควรอย่างนี้เราพออาศัยพวก ทหารนั่นเองเนี่ยตำรวจทหารช่วยกันรักษาความสงบสุขของประชาชนเมื่อมีข้าศึกกลวงล่ำชายแดนเข้าม า, าก็เป็นหน้าที่ของพวกอาสาพวกตำรวจทหารที่จัดไว้จะคอยป้องกันขับไล่ศัตรูออกไปการต่อสู้กันต้องมีการเจ็บการตายเป็นธรรมดา พวกอยู่สายหลังก็ได้ร่วมใจกันบริจาคเข้าไปรัฐบาลก็เอาเงินก้อนนี้ไปช่วยเหลือทาหารตำรวจที่พิคงพิการเหล่านั้นไปเลี้ยงเขาไปจนหมดอายุของเขาอันนี้นีว่ามันก็เป็นทานอันหนึ่งทานอย่างนี้ก็มีประโยชน์ไม่น้อยเหมือนกันนะในว่าประโยชน์โดยทางอ้อมมันเกี่ยวกับ รักษาวัตถวาศาสานาให้ตั้งมั่นอยู่ได้ส่วนนี้ก็สำคัญนะนอกจากการให้ทานแก่พระภิกษุสามเณรแล้วเราก็ยังมีการบริจาคตามมูลนิธงต่างดังกล่าวมานี่แหละเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะพากันละเลยการให้ทานเหล่านี้นะ มันรษยแต่มีประโยชน์การให้การบริจาคทานนี่เป็นคุณธรรมของบรรฑินักปราชญ์ทั้งหลายตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่ล่วงแล้วมาบรรดานักปราชญ์บรรฑิตทั้งหลายท่านก็บำเพ็ญทานมาอย่างนี้แหละเริ่มสร้างบารมีมาเพราะฉะนั้นไในบารมีสิบประการ พระพุทธเจ้ายัางตั้งทานะบารมีขึ้นไว้เป็นหัวหน้าหมู่เลยถ้าหากว่าบุคคลใดให้ทานไม่ได้แล้วสินไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีทานที่จะรักษาสินได้ผู้ให้ทานได้ก็รักษาสินได้บ้ น, นี้ทำไมยังว่าอย่างั้นก็ผู้ที่ให้ทานนี่มันจิตมันเปี่ยมไปด้วยมเมตตากรุณา ปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขโดยทั่วกันก็จึงได้มีจิตใจเผื่อแผ่ยอมสละจะตุปใจเท่าที่พอจะสละได้ออกให้ทานไปแก่บุคคลที่ควรให้เมื่อทําบ่อยๆเขาจิตใจมันก็เปี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาเพราะฉะนั้นมันจึงได้เว้นจากการเวดเวียนไปได้เองก็จึงเป็นผู้มีศีล ลองสังเกตดูคนที่ไม่ได้ให้ทานนี่ส่วนมากไม่มีศีลหรอกอคนที่ไม่ให้ทานนี่เป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแต่แก่ได้ฝ่ายเดียวเสียให้น้อยคิดเอาให้ได้มากลักษณะของคนปอลอกเลอกในกิี่ปฏิบัตนะพระองค์เจ้าทรงแสดงไว้ไม่มีผิดเลย คนที่ไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละคนบริจาคทานได้คนไม่เห็นแก่ตัวนั่นแหละถึงรักษาสินได้เอาตอ น, น, นไม่ยอมเบียดเบียนใครแม้การทํามาหาเรี่ยงชีวิตจะไม่จเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรก็ก็ตามว่าแต่ขอให้มีสิน ขอให้ได้อยู่กันอย่างสันติสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันและก็เป็นที่พอใจนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแม้ตนเองจะลำบากลำบนอย่างไรบ้างก็ก็อดทนเอาแต่ตนจะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเลยสแสวงหาทรัพย์สมบัติได้มาโดยทางที่ชอบ ด้วยศีลด้วยธรรมชอบด้วยกฎหมายอย่างไรแล้วเราก็ได้เท่าไหรเราก็บริโภคใช้สอยเท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลซึ่งธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ า, าศาสนธรรมพวกเราได้ยกย่องออพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการปฏิบัติตามนี่แหละร่วมใจกันปฏิบัติตาม จึงเรียกว่ายกย่องนับถือถ้าไม่ปฏิบัติตามแล้วก็ชื่อว่าไม่ได้ยกย่องนับถือาศาสนธรรมคำสอนเป็น อ, อย่า ง, งานั้นพุทธศาสนาจะตั้งยั่งยืนอยู่ได้ก็โดยอาศัยการที่เรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระติเจ้านี่ท้งฝ่ายนักบวชก็ตั้งใจ บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาหรือมัคมิยงแปดให้เต็มความสามารถของตนของตนเรื่องฝ่ายเงหัดผู้ครองเลือนก็ตั้งอกตั้งใจทำทานการกุศลรักษาศีลห้ากรรมบทสิบให้ได้เราตั้งใจฟังธรรมไหวพระภาวนา ทำใจให้สงบแน่วแน่แม่จะได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็ดีถ้าเราทำไปๆยๆเข้าจิตใจนี่มันก็ค่อยหนักแน่นเข้าไปเรื่องการภาวนาถ้ า, าว่าผู้ใดไม่นั่งสมทีิภาวนาเสียเลยจิตใจจะไม่หนักแน่นจิตใจจะงอนแงนคลอนแคลนมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามาก็วันไว้ไปทันที คนภาวนาการนั่งสมาธิลงไปแล้วเราจะต้องสะกดจิตที่มันเลื่อนลอยอยู่นวะให้มันตั้งลงไปไม่ใช่นั่งอยู่เฉยๆนี่ไม่ใช่นั่งงกง่วงอยู่เฉยๆพอ น, นั่งสมาธิเข้าไปแล้วก่อนอื่นเราจะต้องสะกดจิตให้มันตั้งลงไปซะก่อ น, อนเราจะปล่อยให้จิตนี่มันตั้งเองไม่ได้หรอกไม่ได้ เราต้องช่วยตัวเองนะเพราะว่าจิตนี่มันเคยเล่นร่อนมันเคยคิดส่งสายไปตามอารมณ์ต่างๆตลอดวันอยู่แล้วทีนี้พอเรานั่งภาวนาลงไปแนละ้วจะให้มันหยุดคิดหยุดส่งสายไปทีเดียวมันไม่ได้เลยนันะมันเคยนี่เพราะฉะนั้นตนเองก็ช่วยตัวเองเอาบันนี้เราจะหยุดคิดอืม เราจะไม่ส่งสายไปทางอื่นจิตก็ให้อยู่ที่จิตนี่ไม่ไปอยู่ที่อื่นจิตก็คือความรู้สึกนั่นแหละไม่ใช่อย่างอื่นได้เมื่อเมื่อมันมีอารมณ์อะไรกระทบกระทั่งมามันก็คิดความคิดมันก็เกิดจากความรู้สึกนั่นเองนะไม่ใช่เกิดจากที่อื่น ดังนั้นเมื่อเราสะกดความรู้สึกอันนั้นไว้ไม่ให้มันคิดอย่างนี้นะมันก็คิดไม่ได้แต่ส่วนมากคนเราไม่ค่อยได้สะกดจิตไว้ดังนั้นมันจึงจิตไม่อยู่ภาวนานะี่มีหลายคนแหละพูดบ่นอยู่ภาวนาใจไม่สงบเลยมันจะสงบได้ไงงไงเราไม่ทางานนะตัวเองไม่บังคับตัวเอง นั่งไปแล้วเรามีแต่คอยว่าให้ใจนะี่มันสงบลงเองมันไม่ได้ออกแรงเลยถ้าจะไปสะกดจิตหนอยหนึ่งกลัวว่ามันจะเป็นทุกข์หุ่นวายนี่เลยไม่ยอมทำนะอันนั้นไม่ถูกคอยเข้าใจไว้การทำงานนี่นะมันต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนทุกอย่างเลย ถ้าไม่ยอมเอาทุกเป็นทุนแล้วงานใดๆนี่จะสำเร็จรร่งไฟไม่ได้เลยดูแต่การงานภายนอกเป็นไงถ้าไปกลัวฝนกลัวแดดกลัวเน็ตเหนยเมื่อยล้าอยู่แล้วทำไม่ได้เลยเเพวกที่ทำงานได้เหล่านั้นไม่กลัวอดทนสู้กาฝนทนแดดเน็ตเหนยเมื่อยล้าบ้างไม่เหลือวิสัยก็สู้ นี่การงานต่างๆมันถึงรูด้วงไปได้อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยงานเกี่ยวกับการฝึกผลอารมจิตใจนี่ธรรมดาใจมันก็อาศัยร่างกายเป็นอยู่ดังนั้นเมื่อฝึกใจต้องฝึกกายพร้อมด้วย น, นเมื่อกายนิ่งก็สามารถทําใจให้นิ่งได้แต่ถ้าปล่อยให้กายนี่ วันไว้ไปมาอยู่บ่อยๆอย่างนี้จิตจะนิ่งไม่ได้เลยจ่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการฝึกฝนอารมจิตใจนี่มันก็ต้องอบรมกายด้วยมันเนื่องกันอาศัยกันอยู่ดังนั้นเราต้องอาศัยความอดความทนแล้วก็อาศัยสติรละลึกเข้ามาที่กายรละลึกเข้ามาที่จิตคือความรู้สึกอันนี้ อย่าอย่าปล่อยให้สติระลึกไปทางอื่นทางนอกนู่นให้มันระลึกเข้ามากลว ด, ดูกายดูจิตนี้อยู่เสมอถึงแม้ว่าเราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ตามทําอะไรอยู่ก็ให้มีสติกำหนดรู้กายรู้จิตนี้อยู่ถ้าถ้าระลึกให้ละเอียดให้ถึงความจริงแท้แล้ว ก็ระ ล, ลึกว่ากายนี่ก็สักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรถ้ามันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็นึกว่าทุกขเวทนานี่ก็สักแต่ว่าทุกขเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้ามันเกิดความคิดว่าวุ่นต่างๆขึ้นมาก็คิดว่าธรรมารมที่เกิดกับจิตนี่ก็สักแต่ว่าธรรมารม ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรอันสติมันนึกเตือนจิตอย่างนี้บ่อยๆเข้าไปนะจิตมันจะรู้ตามเลยวันนี้นะมันจะเห็นตามแลว้ว น, นี่โอ้เป็นความจริงเลยร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราอะไรประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วมีจิตมาอาศัยอยู่ พอมีจิตมาใสายอยู่แล้วมันก็มีอาการออกไปถึงสี่อย่างคือความรู้สึกเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้งางแล้วก็จำมีความจำความหมายมีความคิดปรุงแต่งคิดดีบ้างชั่วบ้งางอ่ามีความรู้สึกทราบซ่านไปทั่วกาย รู้สึกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอวัยวะน้อยใหญ่ต่างอาการาต่างาพวกนี้ท่านรวมเรียกว่านามธรรมาแปลว่าธรรมที่ไม่มีรูปร่างที่เรารู้ได้ด้วยสัมผัสเมื่อเราทำใจให้สงบตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วจิตกับกายเนี่ยกระทบกันเข้า ถ้าร่างกายนี่มันเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้นะสมมติว่าเป็นไข้นี่ร้อนจัดจิตนิโรึ ก, กระวนกระวายขึ้นมาเพราะความร้อนมันขึ้นสูงท่านก็บรญญตัตว่าทุกขเวทนานี่นะแล้วสัญญาก็จำแหละจาทุกจำสุขจำร้อนจำหนาวอะไรหมนะั้นสังขารก็คิดปรุงแต่ง ขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมเนาะเมือ่อใดเนาะเราจะหายจากโรคไฟอันนี้ทำอย่างไรถึงจะหายได้เป็นเพราะอะไรควา ม, มตกวิจาร์ขึ้นมาอย่างนี้ท่านเดียก ว, ว่าสังขารวิญญาณมันก็ท้านไปอยู่ทั่วทั้งตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะต่างๆ ต, ตลอดถึงใจนี่แหละเจ็บขานุน่น มันก็รู้ถึกไปถึงใจนั่นแหละเจ็บตรงไหนก็ตามเนี่ยมันก็วิ่งเข้าไปหาใจนั่นไปแจ้งให้ใจนันทราบใจนั่นต้องเป็นผู้รับรู้ความเจ็บความปวดความร้อนความหนาวหรือเป็นผู้รับรู้ความสุขความสบายต่างๆที่เกิดจากร่างกายเป็นปกตินี่เรื่องของวิญญาณ น, นี่นะ อาศัยกายกับจิตกระทบกันเข้าแล้วก็เกิดเป็นวิญญาณเป็นเจตสิกซ่านไปทั่วร่างกายอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราสะกดจิตตั้งเพ่งจิตนี้ให้สงบจากความคิดความนึกไปภายนอกแล้วมันตั้งอยู่ภายในแ น, น่ๆมันจะรู้แจ้งในขันทังห้าอันเนี้ยอรู้แจ้งในรูปกาย ต่างๆเหล่าเนี้ยก็สักแต่ว่าเป็นรูปเป็นธาตุเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมเท่านั้นนะไอท้ที่ที่ว่าเราของเราผมเราขนเราเล็บเราหนังเราเนื้อเราอะไรมาเนี่สมมติว่ากันเอาต่หากถ้าว่าโดยปรมัตี่แล้วไม่ใช่ของเราอ่ามันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมาสมสมมติกับปรมัตเนี่ยมันตรงกันข้ามเลย สมมตินั้นมีเขามีเรามีชื่อหมดอาการสามสิบสองเนี่ยอยู่ในร่างกายเนี่ยมีชื่อหมดเลยแต่อย่างนั้นทีนี้้าตุพิณาลงไปโดยประมัทธธรรมแล้วเวลามันแตกสลายออกจากกันลงไปแล้วมันเหลื อ, อแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเท่านั้นเองวิญญาณธาตุก็ดับไปหมดอย่างนี้แหละ ดังนั้นอ่ะรูปกับนามอันนี้จึงชื่อว่าไม่เที่ยงไม่ยังยืนไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดลมันภาวนาเพ่งพิจารณาให้มันเห็นเสมอเสมอไปความเห็นดังกล่าวมานี่แหละเป็นเหตุให้คนเราละความถือเนื้อถือตัวลงไปได้เป็นเหตุให้ละบาปกรรมต่างๆ ละความโลภละความโกรธละความหลงให้เบาบางออกไปถึงไม่หมดสิ้นก็นแล้วว่าเบาออกไปก็เมื่อมองเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วอย่างเนี้ยแล้วจะโลภไล่ไปทําไมอะ่ะจะไปแย่งชิงเอาสมหติฝืนเอาเป็ของตนทําไมอะ่ะเนี่ยมันก็มันก็รู้แหละมันก็เตือนตนอย่างนี้ตนหามาได้เท่าไรก็บริโภคใช้สวยเท่านั้นก็พอแล้วอ่า ถึงอย่างไรร่างกายนี้จะมาบำรุงบำเรอมันให้มากเท่าไรมันก็ตั้งยั่งยืนอยู่ไม่ได้ถึงเวลาแล้วมันก็สุดโทรมไปถึงเวลาแล้วมันก็แตกดับไปเท่านั้นเองนะแล้วจะไปโกรธใครล่ะมีใครให้ให้โกรธอยู่นั้นเมื่อความเห็นอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี้ก็ไม่ใช่ของตนแล้ว ร่างกายที่ผู้อื่นอาศัยอยู่นั้นก็ไม่ใช่ของเขาเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปโกรธใครแล้ววะเนี้ไม่มีไม่มีคนจะให้โกรธเพราะมองไปก็เห็นแต่ธาตุสี่นิน้ำไพลลมเท่านั้นประชุมกันอยู่เราจะไปหลงใครแล้ววันนี้ออจะไปหลงสมมุติหลงบัญญัติยังไงอ่ะก็ยังว่าสมมุติสมมุติเป็นของใช้ชั่วคราวหนึ่งนะ ใช้ชั่วเวลายังมีชีวิตยอยู่นี่เท่านั้นเลยคันเมื่อหมดอายุสังขารลงไปแล้วสมมุติมันก็หมดไปตามกันก็เลยสมมุติไปยังอื่นบัเ น, นี้นะจากคนก็ลงไปเป็นผีมาเนี่ยอัติธาต์บัเ น, นีนะ้นั่นนีลยเอาเอาอัติธาต์ของพ่อของแม่ไปก่อเจดีย์บรรจุไว ลูกหลานภายหลังมาก็ได้ไปจุดถูปเทียนบูชากราบไหวชักบังคุณทาบุญอุทิศฐาดวงจิตปิญญาของเจ้าของกระดูกนี้เรื่องสมมุติอย่างนี้มันไม่แน่นอะนมันแปลสภาพไปเลยแต่เรื่องปรมัติต์แล้วมันยืนตัวเลยให้เข้าใจคำว่าธาตุดินมันก็เป็นธาตุดินมันจะแปลเป็นธาตุอื่นไม่ได้ ธาตุน้ํามันก็เป็นธาตุน้ํนาอยู่งั้นธาตุไฟก็เป็นธาตุไฟอยู่งั้นธาตุลมก็เป็นธาตุลมอยู่งั้ น, นแต่ธาตุเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะอมันมีเกิดขึ้นแล้วเอามันก็แตกตับลงกลับไปเป็นธาตุของเกขาเมื่อมันเกิดขึ้นเช่นต้นไม้หรือว่าคนอย่างนี้นะบุญกรรมตกแต่งขึ้นมาตกแต่งธาตุตีน้ำไหลลงนั่นแหละมาให้เป็นรูปเป็นร่างอันนี้ขึ้นมาแล้ว เมื่อเราพิจารณาดูแน่นอนแล้วมันก็มีแต่ธาตุสีดินน้ำไฟลมเท่านั้นรวมกันเข้าเป็นร่างกายอันนี้ เ, เมื่อมันแตกดับลงไปมันก็ไปเป็นดินน้ำไฟลมของเก่าอยู่อย่างนี้นะพิจารณาให้มันเห็นดังนั้นจึงถือว่าไม่ใช่ของใครไม่น่าหลงเลยอ่ะอืเนี่ยเมื่อเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆมันจะกำจัดความหลงความสำคัญว่ามีเขามีเรามีตัวมี ต, ม ต, มตนออกไป เป็นคุณธรรมของพระโสดาบันอันพระโสดาบันนี่ครือขัดคลองเรือนก็บรรลุได้เห็นแจ้งได้บรรลุได้ยากมีแต่อรหัตตะผลเท่านั้นหลอรหัตตาผลนั้นเป็นครือขัดนี่มีจำนวนน้อยที่บรรลุนันะพอบรรลุแล้วก็นิพพานไปเลยอยู่ไปไม่ได้ถ้าจะอยู่ต่อไปก็บวชแต่สำหรับมรรคทั้งสามเนี่ย โสดาสกิตาคาอนาคานี่คฤหัสถ์นั้นมีสิทธิ์บรรลุได้เป็นจานวนมากทีเดียวในตำราท่านกล่าวไว้ว่าโสดาบันนี่แหละสำหรับผู้ครองเรือนแล้วนะขั้งพุทธการนะบรรลุกันมากมายทีเดียวอ่ะก็พราะท่านมองเห็นอัตภาพร่างกายไม่ใช่ตัวตอนอย่างว่านี่แหละด้วยปัญญาอันยิง่งอ่แล้วเหตุนั้นถึงได้ละความถื อ, ถอ ต, ตัวถือ ต, ตอนลงไป เมื่อเมื่อละความถือตัวถือตอนออกไปแล้วจิตใจนี่มันก็เบามั น, ก, มนก็ไม่หนักไม่น่วงแม่ร่างกายนี่มันจะวิบัติแปรปรวนไปยังไงจิตนี่ก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแม้ใครจะด่าว่าเสียดสีอะไรมันก็ไม่โกรธเพราะมันเห็นแจ้งอยู่นี่ว่าเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าก้อนดินน้ำไฟลมต่างหากเหตุนั้นพระโสดาบานันท่านถึงไม่โกรธนั่นเอง เหมือนยังประวัตินางอุตรากับนางสิริมาครั้งนั้นนางอุตรานั้นไปเอาเงินไปจ้างนางสิริมาให้มาบำรุงบำเลสามีของตนเพราะนางสิริมาเป็นคนงามในสมัยนั้นที่ประชุมไม่ยอมยกให้ใครแต่ถ้าใครให้เงินแล้วเอาไปบำเลผู้นั้นส่วนนางอุตตたらนั้นน่ะ ได้ฟังเทศพระพุทธเจ้าแล้วได้สําเร็จโสดาบันแล้วไปได้สามีตระกูลมิจฉาทิฏฐิ 4. ไม่ได้ทําบุญําทานอะไรก็เลยส่งข่าวไปหามารดาบิดาขอให้มารดาบิดาส่งเงินส่งทองมาให้จะได้ทําบุญทําทานมารดาบิดาก็ส่งเงินมาให้เอา้าวจ่ายซื้ออาหารมาทําอาหาร นิโมโนพุทธเจ้าระพสงมาฉันพระทหารในบ้านขออนุญาตสามีสักเกียรตวันโดยให้นางสิริมานั้นเป็นนางบำเลอตนบำเลอสามีแทนตนตนนั้นรักษาสินแปดแล้วก็ได้ทำควบคุมคนแม่ครัวต่างๆให้จัดอาหารอันประนิจถวายพระพุทธเจ้าแระพสง์แล้วฟังธรรม วันนี้อยู่มาวันหนึ่งนางทีริมามองลงไปเห็นนางอุตรานี่แหละคุกคีอยู่กับหมอข้าวหม้อแกงอะไรพวกนั้นนึกอิจฉาขึ้นมาเอ๊ะถ้าเราทำลายแม่คนนี้ได้แล้วเราจะได้เป็นใหญ่ในบ้านนี้ก็แค่จะนั่น็ลงจากปราสาทมามาพอรีกับเพื่อนต้มน้ำข้าวต้มเดือดผ่านๆอยู่ ก็เอากระบวยไปตักน้ําเข้าต้มนั้นมารถศีสษะนางอุตารอานางอุตาราอธิษฐานใจให้แน่วแน่แล้วว่าถ้าว่าเราได้อิจฉาพยาบาทแม่คนนี้น้อยหนึ่งก็ขอให้น้าเข้านี่ลวกให้มันเปื่อยไปทั้งตัวเลยแต่ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้มีใจอิจฉาพยาบาทนางคนนี้ก็ขอให้ปลอดภัย เมื่อเพื่อนเอาน้ำก็ต้มร้อนๆมาลดสีตาลงไปก็ไม่ต่อสู้อะไรเลยปรากฏว่าน้ำเข้าร้อนๆอันนั้นกลายเป็นน้ำเย็นไปเย็นไปทั่วตัวอะไระับนี้นางสิริมาคิดว่าเอ๊ะน้ำเข้านี่มันเย็นแล้วมัง้งมันไม่ร้อนมัง้งเอไปตักอีกตักอีกมารดอีกมันก็เย็นอยู่เหมือนเดิ ม, มเจ้าตัวผู้ถูกรถนั้นก็ไม่ดิ้นล้นกระทอบกระสายอะไร แต่พอดีบริวารของนางอุตราเห็นเข้าก็เลยพากันมาช่วยนายของตัวแต่ทบไปตีนางสิริมาจนบอกจนซ้าลงไปแต่ถึงกันนั้นนางสิริมานางอุตราก็ยังห้ามบริวารของตนไม่ให้ทำร้ายนางสิริมาจนถึงลมถึงตายแถมยังได้พานางสิริมาไปหาตู้ยา เอายาออกมาทามาใส่แผลพกซ้ำดำเขียวต่งางๆให้นี่แหละใจของโสดาบันฟังเาอาว่ากางนี้แหละนางสินิมารู้ตัวอะไรบ้นี่แห้ไอเราเบียดเบียนเพื่อนถึงขนาดนี้เพื่อนยังไม่โต้ต อ, อบเราเลยถ้าหากว่านางอุตลาไม่ช่วยเราคราวนี้เราตายแน่เพราะฉะนั้นนางอุตลาจึงชื่อมีคุณต่อเรามากมาย รู้สึกตัวแล้วจึงขอโทษขอขมาโทษต่อนางอุตรานางอุตราก็เป็นผู้ฉลาดเออท่านจะมาขอโทษกับเรานี่ไม่ได้ดอกควรจะไปขอโทษกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านู่นวันพรุ่งนี้แหละเราได้นิมนต์ผู้เจ้าและพระสงฆ์มาฉันพระทหารในที่นี้เธอจงกลับไปบ้านแล้วไปรุ่งเช้านำอาหารมา ถวายทานร่วมกันแล้ววันนั้นเราจึพาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านางสิริมาก็นําอาหารมาในวันรุ่งขึ้นเสร็จแล้วนางอุตราก็พานางสิริมาเข้าไปกราบใกล้พระพุทธเจ้าไปทูลเรื่องราที่เกิดขึ้นให้พระองค์ได้ทรงทราบพระองค์ทราบแล้วพระองค์ก็แสดงคำแนะนําทางสอนเข้าไปจบตลงนางสิริมาก็ได้บรรลุโสดาบัน ขอนางได้บรรลุโสดาบันแล้วทีนี้ก็เลี้ยงพระวันละแปดองค์แปดองค์นิมนต์ภาพไปฉันพระทหารที่บ้านวันละแปดลูกทุกวันแต่ว่าอายุเพื่อนสั้นจะแล้วเอาไปเอามาป่วยลงไปไม่นานก็เลยถึงแก่กรรมไปอันนีนะ้ที่พูดให้ฟังนี่หมายความว่าคุณทมของพรโสดาบันท่านเห็นแจ้งในร่างกายนี่ ว่าเป็นของว่างเปล่าจากสัตว์จากบุคคลแล้วอย่างนี้เหตุ น, นั้นท่านจึงบันเทาความโลภโกรธหลงอันนี้ลงได้ไม่มีพยาบาทจองเวรใคร อ, อ่ะเพราะฉะนั้นพวกเราที่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็พยายามแหละพยายามบาเพ็ญไปภาวนาไปถึงไม่ได้เป็นพระโสดาบันเมื่อเรารู้ แจ้งในร่างกายตามจริงอย่างนี้มันก็บันเทากีเลศ ต, ต่างๆลงไปได้เยอะแยะเลยทีเดีย ว, วะเนือใจใจของเราก็จะได้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณเพราะมองเห็นร่างกายนี้พึ่งไม่ได้แล้วนี่เราพึ่งได้ชั่วคราวหนึ่งพอมันหมดบุญเก่าแล้วนี่ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับทำลายลงอย่างนี้นะพระโสดาบันนะท่านมองเห็น ร่างกายนี่จะพึ่งพาอาศัยร่างกายนี้ไปนานไม่ได้เพราะเหตุนั้นจึงได้พยายามบำเพ็ญบุญกุศลเรื่อยไปไม่มีถอยหลังเลยพระโสดาบันนะรักษาศีลในบริสุทธิ์ไปอยู่ฮเอาฟังทรรมไปปฏิบัติทางจิตใจเรื่อยไปอย่างนั้นเนี่ยนี่แหละการอานิสงส์แห่งการพิจารณาเห็นแจ้งในร่างกายตามเป็นจริง ทำให้กิเลสตัณหาน้อยใหญ่หรือว่าถ้าหากว่าใครลุ่มหลงทำบาปอะไรมาแต่ก่อนก็รู้สึกตัวได้สามารถละบาปอันนั้นออกจากใจได้เลยดังแสดงมา